ไปนะครับคำรู้เห็นบทสวรรค์ทีตอนที่หกสิบเจ็ดนะครับที่สุดรูปใจนั่งหมายกลับมาสูกคมแล้วพึงดําเนินไปยังหนทางเส้นเดียวกันโดยที่สุดแค่ชั่วระยะหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งต้องอาบาาาัตตาอีกตีราอยันนะี้เน่ยคําที่บานก็เหมือนกับในของพิชญ์มีเห็นนะครับ ที่เราเรียนผ่านมานะเชิญชวนผู้ินเดินทางไกลใช่ไหมนี่ยอาจารย์แปลงแค่เจนอะไรนะรูปแบบนั่นหมายนะครับมีการนั่นหมายนั่นแน่กับผู้หญิงนะแล้วก็เดินทางไปร่วมกันนะครับถ้าพี่บาว่านั่นหมายเนเป็นยังไงก็ชวนกันอย่างนี้นะไปกันเถอนน้องหญิงไปกันเถินพระคุณเจ้าไปกันอะไรนะไปเถินพระคุณเจ้านะครับไปด้วยกันสิพระคุณเจ้า อืมครับลักษณะนี่น่ามีาการข่างชวนทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งสองฝ่ายถ้ารับคำเฉยเฉยไมนเรียกว่าข่างชวนใช่ไหมนั่นผู้หญิงเข้าชวนว่าไปไปกันหน้าพระคุณเจ้าเราไปด้วยกันเถิดพระคุณเจ้าอ๋อหน้าโยร้าย <c oughs> ก็ไปคขาไม่ยอมไปรับคำเฉยเฉยนะครับไม่ใ อาการชวนและการชั ก, ก, ชกชวนในการเราทั้งสองฝั่งตีนี้เป็นไปอย่างดีถ้าที่หญิชวนฝ่ายเดียวก็เป็นอาบัตุกบนะครับถ้าผี่ิงชวนฝ่ายเดียวแล้วไม่ได้ชวนต่อนี่ก็ไม่ต้องอาบัตเลยนะครับต้องชวนนี่กันทั้งสองฝั่งทีนี้ชวนแล้วเป็นยังไงก็เหมือนเดิมนะครับ <c ười> เดินทางไปนะซึ่งระยะบ้านหนึ่งค่าเคมีหมูบ้านหนึ่งใช่ไหมต้องกดไปอย่างดีทางที่บานก็เหมือนข้อต่อนะนะครับ ที่สถานที่ดีชวนแล้วไม่ต้องอันบัตรก็คือในวัดถ้าเราชวนผู้หญิงเดินทางไกลด้วยกันในวัดน้านนไม่ต้องอันบัตรธรรมดามันเริ่มต้องบัตตั้งแต่ชวนแล้วนะครับพอชวนพวกก็ต้องบัตกดใช่ไหมแต่นถ้าชวนในวัดอาจจะไม่ต้องอันบัตรกดเพราะการชวนแต่เวลาเดินทางไปด้วยกันเนี่ยก็ไม่ควรอันบัตรไปอยูดีนะครับต้องอานบัตรอยู่ดีนะ พอไปชวนแล้วครั บ, บ, บคือชวนทันทีนี้ถ้าเกิดชวนยืนไนวันไม่ต้องระวังใช่ไหมครับเจแหลมาน้องต้องออกรังก่อนถ้ไปชวยไม่ใช่พี่เจไม่ต้องบแบบทุกคนเฉยๆนะ<ต>ครับแต่เวลาไปด้วย ก, กนันนะต้องแบบไปอีกตีแล้วไ <c oughs> ปอีกตีไม่พ้นหรอกครับอันที่ผมบอกว่าไม่ต้องแบบคือไม่ต้องเพราะการชวนเฉยๆแต่เพราะการเดินทางไปด้วยกันต้องแบบไปอีกตีอยู่ดีนะครับชวนไนวันก็ต้องทุกคนเหมือนกันไม่ต้อง fit, ไม่ต้องทุกคน แต่าเวลาเดินทางไปด้วยกันเราต้องไปที่ไอ ต, ตรงนี้นหมายถึงช่องชวนที่หญิงเดินทางไกลนะครับเช้าชวนผู้หญิงน่าเดินทางไกลเราจะว่าเดินทางไกลนะไม่ใช่หลอกวัดอะไรไม่ใช่นะครับเขาว่ากลายอาแค่ไหนขนาดว่าเข้าเขตหมู่บ้านแรกยี่ไม่เอาเลยใช่ไหมพราบเช่นว่าเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นเขตของหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมบ้านเขาตะเกียบใช่ไหมครับ เนี่ยเราก็เดินไปเรื่อยๆตามบบที่ย okay. um, ังไม่เลยเขตเขาตะเกียบเราก็ยังไม่ต้องอาบัดเลยเขตไปแล้วนะแต่ยังไม่เข้าเข็มหมู่บ้านอีกนเราก็ยังไม่ต้องไปอีกดีเลยมันต้องเข้าไปเข็หมู่บ้านนะครับอาจจะไปหมู่บ้านอะไรก็เข้าอีกหมู่บ้านหนึ่งครทีเนี้ยก้าวแรกเท้าแรกใช่ไหมที่จะเข้าไปสู่เข็มหมู่บ้านเข้ทุกกฎก้าวที่สองเข้าไปอีกทีนี่ครับตอนที่ชวนกล่องแล้วก็เป็นทุกกฎกอแล้วใช แต่บอกว่าถ้าเป็นการชวนใกตบปิยภูมิคือชวนในสำนักพิสุนี้ชวนในวัดชวนในโรงฉันการบ้านนี้นะครับถะก็ชวนในสำนักอินทรีนะครับไม่ต้องทุกกฎเพราะการชวนแต่ต้องปาจิตติเหมือนเดิมเพราะการเดินทางร่วมกันอืะครับถ้าเราจะเลี่ยงสมมุติว่าในวันบันดันชวนไปแล้วใช่ไหมเราจะแช่หัวหาไม่ถูกหรไม่รู้แหละก็ชวนไปแล้วนะครับ เราก็ไม่ต้องบัตทุกกฎ พ, พ่อชวนในวัดใช่ไหมทีนี้เราจะแก้ยังไงเวลาจะไปจริงอนะ่ะล้วก็ไปไปให้ค่าเครื่องเวลานั่นหมายนครับค่าเครื่องเวลานั่นหมายเวลาคนนัดก็เที่ยงแล้วก็ไปเที่ยงสิบใช่เที่ยงยี่สิบเที่ยงครึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่เที่ยงตรงถ้าตรงนี้ต้งทานยบยาครับ แล้วก็ไม่ตรงเวลาเรียนเนี่ยโดนบอกว่าถ้าคืนหมดแล้วถ้ผิดนัดหมายเนี่ยก็ไม่ต้องมาบัตก็ไม่ต้องทุกข์กดไมยพ่อชูในวัดแล้วก็ไม่ต้อ ง, ไ, องไปไตีกกพอ่ อ, อ, พอเราผิดนัดหมายนะครับไม่ตรงเวลางั้นนะเนี่ยเราจะได้มีวิธีหิดเลี่ยงนะครับไม่ต้องอาบันินะในป่าไม่มีบ้านอะไรก็ทุกๆระยะถึงโยอดนี้ครับ ครับอันนี้แค่นี้นะทีนี้ถ้าจะพูดถึงว่ายังมีผู้หญิงอีกสามประเภทนะครับ <c oughs> พิจูนีนะครับที่บวจากพิจุนีสงฝ่ายเดียวอันนี้ไม่มีแล้วนะสิกขามนาสามเนรีนี่มีคําพิบาลเหมือนกันนะครับสองข้อข้อผู้หญิงในในสิกขาบท น, นี้ด้วยนะนะครับสิกขาบท น, นี้ด้วยคือต้องบงนันทึกแต่ว่าผู้หญิงสามประเภทนะครับที่ว่านะ เขาจะได้สมัยนะครับที่พระสามมาจะเดินทางไปเขาได้สมัยที่อะไรสมัยที่ไปด้วยหมู่เกวีนย่นะครับสมัยที่ไปด้ยหมู่เกวีสมัยที่มีอันตรายเขาว่าอยไรที่มีภัยพ่อหน้าหน้าหวาดระแวงนะครับค่าจำภาษาบาลีไนะ้นะนิยาที่ของพิษุณีนะโยปะน้าพขคุบใช่ไหมสัตทิมสงวิธะโยปะหน้าพิคุบพิขุบนิยาสัตทิมสังวิทยายะ เอกตถนัมขังปฏิปเชยยะอันตมโสขามันตรำปิอัญญตาละสมยาไปตยตยังตถาญัตถายมโยสัทธคมนิโยโหติมังโคสาสนักระสมะโตสัพติพโยอางตาถาสมัยโ ย, ย, ยญญครับหนทางที่ต้องไปกับพวกเพียรใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มีอันตรายหน้าหวานระเบงอันตรายมีภัยเฉพาะหน่อครับอันนั้นก็สามารถไปกับ พวกพิษุนีสิกขามานาะสา ม, มนเนรีเนี่ยได้แต่ว่าถ้ากับผู้หญิงนี่ไม่มีสมัยนะครับสมัยไหนก็ไปไม่ได้ทั้งแหละนะครับนอกจาว่ามีอันตรายกับตัวพระเองนะอันตรายต่อชีวิตพมรจันทร์นี่นะครับมันจําเป็นต้องไปด้วยกันแหละนะกันนั้นนะเพื่ อ, อตัวล่องนะครับอย่างนี้นไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ได้แล่ก็ครับตรงเรามาดูต้นหนึ่งอย่าง เรื่องพิสุรูปหนึ่งครับโดยสมัยนั้นพุทธพรพาพุระเจ้า ไ, าไปทําอยู่หน้าพระเชตาวานันอารามของนาถาบิณิกาข้ามบดีเขบพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพิสุรูปหนึ่งกำลังเดินทางไปสู่พระนครสาวัตถีในโกศชนบทเดินทางไปตามประตูะทางประตูบ้านแห่งหนึ่งครับสตรีผู้หนึ่งทะเลาะ ก, กับสามีแล้ว เดินออกจากบ้านไปพบพิสุรูปนั้นแล้วเดีถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนเท่าพิสุนั้าต่อว่าฉันจะไปสู่พระนครสามีเจ้าสตรีนั้นขอร้องว่าดิฉันจะไปกับพระคุณเจ้าด้วยเขาเนี่ยจะไปด้วยนะ น, นี่นะ <c oughs> พิสุนั้นกล่าวรับรองว่าไปเถอดเจ้าขณะนั้นสามีของสตรีนั้นออกจากบ้านแล้วถามคนทั้งหลายว่าพวกท่านเห็นสตรี มีรูปร่างอย่างนี้บ้างไหมตอนแรกทะเล่าะ ก, กับเมียใช่ไหมที่เมียมมก็เดินหนีนครับ เ, เดินหนีมาเจอพระก็ออกไปกับพระเรื่องสามีก็มาตาว่าทีนี้นะไม่เห็นเมียเดิ ก, ก็เลยถามคนแถวนั้นนะครับว่าเห็นผู้หญิงขนาะนี้บ้างไหมนะคนข้างหลายก็ตอบว่าสตรีมีรูปร่างเช่นว่านั้นเดินไปกับพระนี่นะให้กับพระนะเขาบองอย่างนี้นะครับใ น, นทันทีเขาได้ติดตามไป จับพิสูจนั้นทุบตีแล้วปล่อยไปนะครับไม่ฟังอะไรเลยนะนี่จำเดินติดตามไปเลยนะครับแล้วก็จับผ้ามาทุบตีเลยนะโอ้ยยัไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยนะครับแกหาทำรนะไม้ฆ่ากก น, นะพ <Yeah. S 1> นะิสูนนั้นนะั่งพ้อตนเองอยู่หน้าคนต้นไม้แห่งหนึ่ะครับโดนต่อยดนตีขึ้นมา mm hmm. ก็นั่งตัดพ้อต่อว่าตัวเองนะโอ้ยยังไงไม่น่าเลยเดี๋ยวมันจะเอาใช่ไหม ให้ผู้หญิงมาด้วยเลยนะฮะคือสตรีท่ว่ามีส่อนนั้าที่ว่าด้วีสี่ะครับอีกอ่างที่ไปดินะบ่าเขาก็ว่าไปเจอที่ที่ผู้หญิงเขแ้ผ้าแล้วก็เลยเข้ามาอ๋อแล้วก็อ๋อใช่ใช่ใช่มาเจอครับครับครับครับครับใช่ใช่บุรุษนั้นได้จึงสตรีนั้นได้กล่าวกับบุรุษผู้สามีว่าน่า ถ้าลุมนั้นไม่ได้พาดิฉันไปดิฉันต่างหากไปกับท่านเนี่ยถ้าลุมนั้นไม่ใช่เป็นตัวกลางนายจงไปขอเขามาโทษท่านเสียปรุณนั้นได้ขอเขามาพิสูจนั้นในทันใดนั่นแหลนะครับเนี่ยเขาเลยรื่องผิดหน้าขอเขามาครับคันพิสูจนนั้นไปถึงพระนครสาบันทีแล้วได้เล่าเรื่องนั้นแก่พิสูจนทั้งหลาย บรรดาพิสุที่ยังผู้มั่งน้อยสนโดษต่างก็แท่ ง, งที่ติดเตรมพัฒนาว่าฉไนพิสุจึงได้ช่างชวนแล้วเดินทางไปสาเดียวกันกรรมาตุคามล่าครับเราดูลักษณะนหน่อยว่าท่านจะชวนอะไรเลยนะผู้หญิงมาขอไปด้วยแต่ท่านใช่ไหมครับท่า น, น, น, า น, น, นก็บอกไปเถิดจ่าหรือว่าคำนี้ก็ไม่ได้นะครับนะเอาไปเถื่อโย่ <c oughs> แต่ว่าคนาำที่บานน่าจะอธิบายชั้ น, น, น้นลักษณะชวนเป็นยังไง มันจะมีเราไปกันเถอะไหนผู้รวมก็ทรงสอบถามทรงติเตียนแล้วก็มีสิขาคนนี้ขึ้นมานะนสิขาคนนี้เอาผู้หญิงที่เป็นมนุษย์นะครับรู้ดียงสานะไม่ใช่หญิงยักษ์ไม่ใช่หญิงเปรตไม่ใช่ดิเดชันตเมีอ่ะเป็นสตรีพ้รู้ดียงสารนะครับสา ม, มารถทราบซึ้งค่อยคาเป็นสุภาพิสุภาพิวาจาช่วย อ, อย่างสุภาพได้ประมาณนี้นะครับ เนี่ยเขาว่าช่างชวนแล้วนะใส่ใจดีช่างชวนว่าเราไปกันเถอะจ่าเนี่ยมีคำอย่างนี้นะครับเราไปกันเถอดข่าเราไปกันเถิดพระคุณเจ้าเราไปกันเถะน้องหญิงเราไปกันวันนี้ไปกันพรุ่งนี้หรือไปกันวันอื่นนี้ดัง น, นี้เป็นต้นต้องอานบัพทุกกด น, <optimization. S 1> <Grac> นี่ใช่ไหมต้องบฐฐกกฐัพทุกกดเพราะการชวนครับมีเราไปกันหรือว่าไปกันเถิดอย่างนี้นครับไม่ได้นะ ออพไปกันเถอะก็คือเนี่ยเป็นการชวนใช่ไหมอืมครับเราไปด้วยกันหรือว่าไปกันเถอะย้อไปกันเถอะ <laughs> ไม่ได้นะไปเถอะอ่าครับอย่าไปกันพรุ่ง น, นี้หรือไปกันมะรืนนี้นะครับไม่ได้คนะรับไปมนครับกระบะเกิดจะต้องคำนี้นะที่เราเกี่กการชวนนะการชวนต้อหมายนี้ไม่ได้เลยจะใช่เรย่างเนี้ย็ี่มันมีการชวนอย่างที่ผมบอกว่าบอกความประสงค์เฉยอืมนะ เาไปหไหนแล้วก็ต้องการยืมไปส่งใช่ไหมหนึ่งสำนักไงแต่ว่าสำนักคนขับรถมันเป็นผู้ชายนะครับ่ <ไป S 1> อ่าครับจมัยมผู้หญิงก็ไปด้วยนะล้วก็บรความประสงค์งเฉยใช่ไมครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาจะ ไ, ไ, ไปร้านอ่าจะไปหาเวนครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ชัวร์หรอกนะ อ้าวเราไปกันเถอะไม่ค่อยจะมีหรือใช่ไหมครับ mm hmm. เราบอกแต่ว่าเราจะไปนั่นไปนี่ไปหาหมอใช่ไหมครับไปตรงบ้านไปอะไรเนะีย่ยส่วนใหญ่มันก็จะบอกแค่นี้นะพะก็ไม่ต้องหรือไดนะครับแล้วก็ต้องมาวังมาให้ดีกแล้วกันนะ mm hmm. เถ้ามันพลาดทั้งอะไรไปอันนี้นะครับอันนี้เป็นติดกรารตายที่ทําที่บ้านเหมือนกันนะขณะว่าอะไรนะช่างชวนเดินทางไกลแสนเดียวกับหญิงยักษ์หญิงเปรตนะครับนี่ก็ยังต้องบบทุกข์ก้นนะไม่ได้เลย ถ้าเกิดกล้าจะไปชวนหญิงย่างหญิงเปรตนี่นะครับแม้ช่างชวนกับเธอเดินทางไกลเนี่ยก็ยังต้องมาทุกโกรนะครับไม่ได้นะกับเธอนี้ก็ไม่ได้สละเหมือนกันนะครับช้าชวนดีเดชานะครับตัวเมียที่ว่าลกลายกลายมนุษย์ได้นะโดยที่ถื่อแม้ที่มะยาบ้านอย่างคุณก็ต้องบัตรทุกโกรนะครับคนนี้ก็เป็นติกาไปอย่างดีนะเป็นผู้หญิงนะครับจะเข้าใจสงสัรจะทำผิดนะ ช่างชวนแล้วก็เดินทางไปด้วยการเึ้นระยะบ้านหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบัตรฟังจริงเท่านั้นเป็นติการนะครับไม่เหมือนคนนั้นคนนั้นต้องรู้ต้องรู้ใช่ไหมเมื่อกี้นะแต่ น, นี่ไม่เกี่ยวครับขอให้เป็นผู้หญิงก็แล้วกันต้องบัทนั้นครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับเข้าใจพี่ด้วยเป็นผู้หญิงหรือว่าสงสัยต้องบัตรุกคแต่ถ้ารู้ต้องรู้ว่าไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไมนี่นก็ไม่ต้องอาบัตรนะครับที่สูดมาได้ช่างชวนกันไปนะ ผู้หิงชวนฝ่ายเดียวนะครับเราไม่ได้ชวนไม่ต้องอาบัตหรือว่าไม่มีใครชวนใครเรานะบอกความประสงค์เฉยๆแ้วก็ผ่านไปอันนี้ก็ไม่ต้องอาบัต น, นะครับมาถูกทางชักชวนพิสูจไม่ได้ชักชวนนี่ยก็ไม่เปอะไรนะครับพิสูจไปผิดวันผินดเวลา น, นะครับนี่นะเมียตายไปได้นะครับพิสูจวิกรจิตพิสูจน์วิกรรมวิกาไม่ต้องอาบัตเลย คำ ท, ที่ว่าเนียคำที่ว่าเหมือนกันนะท่านี้เป็นอะไรคะ่ะเชื่อบูทานก็เป็นเรียกว่าอัตถานสุ่มฐานนะครับเกิดทางกายกายวาจากายจิตกายวาจาจิตนะครับอนจิตจะมีไม่มีไม่เอี่ยวใช่ไหมขอให้เป็นผู้หญิงก็ได้วกันรู้เมนูต้องว่า น, นั้นชวนด้วยกายแล้วก็ไปด้วยกายก็น่าใช่ไหมครับแค่กายอย่างเดียวหรือว่าชวนด้วยวาจาไปด้วยกายใช่ไหมครับ ก็ได้การการวาจาถ้ามีจิตก็การจิตการวาจาจิต น, นี่นะ น, นี่นได้าครนะับก็มาอ่านคำอธิบายในการขารซะหน่อยนะท่านก็นสรุปเนีย่ย้ไม่มีอะไรหน้าสองวันสามสองะครับเขาเลยกเจ็ดข้างหน้านะการอธิบายสังวิธานนะสิกขาบทในสิกขาบทที่เจ็ดสิกขาบท น, นี้ านพราพาะพุทธเจ้าทรงฟังพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งครับหรือแปลว่าภิกษุบางรูปก็ได้นะครับในมืองสาวัทีบญญรญยติไว้แล้วก็เหตุคือการชักชวน ร, ร่วมเดินทางไกลไปเส้นเดียวครับไปเส้นทางเดียวกับมาดุขาใจความที่เหลือในสิกขาบทนี้พึงทราบโดยในเดียวกันกันกบที่ได้กล่าวไว้แล้วในสิกขาบทที่ว่าด้วยการชักชวนเดินทางไปกับภิกษุณีแล นะครับกตั้งนานนัท่านที่บายรายละเอียดในพิสูณีนะครับจบการอธิบายสังวิธานนสถาคมนครับมืมอะไรนะต่อไปนี่ไม่ได้ต่อไตามพวกที่บอกไม่ได้าคแช่ใทาคแช่ต่อไปนะครับแล้วข้อต่อไปน่าสนใจเกี่ยวกบิสูจอริตฐานนะครับ สาอนิทาน้าลุงท่านที่แปดครับเช่นเดินไปแล้วลาดไปแล้วชวนไปแล้วแล้วก็เดินไปแล้วเป็นรับปีที่แล้วแต่ดีนี้พิูกไปด้วยก็เ่เป็นหน้าเป็นลบาแล้วก็รดรตอนนั้นการเดินต่อไปจะเป็นอบาต่อไปรือเปลตรงไปแล้วครับแต่ก็ยังเดินไปด้วยกันต่อไม่ได้เพราะมาจากการทเราชวนตอนแรกครับท่านไปด้วยกับเราครับ ก็ต้องบอกแยกทางกันนะมากงเหมือนที่ว่าพี่สุกกับพี่สุนีมาเจอกันใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกแยกทางกันว <c oughs> ่ะเครับเพราะว่าถึงเราปองอันบัดรแล้วแต่การที่ไปด้วยกันตอนนั้นน่ะก็มาจากว่าเราชวนเขาตอนแรกจริงๆครถึงไปด้วยกันแต่ถ้บอกเขาว่าน้องพวกที่ชวนโยมมาเป็นปกับทีก็พิจารณเ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในีน่ยอธิบายในฟังแล้วบากวินัยแล้วก็บอกบอกว่าต่อไปก็ได้แตโยมนะการบนทางไป ได้ก็ไ้ได้ไดปเดินตามกนินได้่าไม่ไม่เกียยวนะเรก็บอกตัมตากไปเลยใช่ไหมครับครับ <c oughs>